ก็โอกาสได้พาทําวัดให้เขาได้บุญเยอะๆขึ้นมาภาวนาได้บุญทําวัดก็ได้บุญฟังธรรมได้บุญอีกเพราะว่านุกของเราเนี่เกิดมาได้บุญกุศลถ้าว่าไม่มีบุญกุศลเกิดมาไม่ได้ไปไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์มดโลภูปวกกูปานาน้ํานกนูบูปีควาเต็มแผ่นดินเลยแต่ว่าได้ทําบุญกุศล อาจจะอย่างที่เรื่องเข า, าเคยเล่านะว่านกตัวหนึ่งไปบินไปในวัดมันเจตนาการนเะห็นลูกไก่มันจะชุดเอาลูกไก่ไม่ใช่ไอไอ้ตรองขนมกาเนะี่ยขาบตรองขนมหญ้าติดไปด้วย ตองขนมก็ติดไปด้วยก็ได้บุญไม่มีเจตนาว่าจะขนขยะออกจากวัดบางเอื่นมาได้ติดยาไปติดต้องขนมเหมือนกับขนขยะออกจากวัดแค่นั้นก็ได้บุญไปเกิดล่ะนะฮะสัตว์ที่หาโอกาสทําบุญยากเป็นแต่บางเอื่นแต่คนเนี่ยทำบุญได้ทุกวันนะทําบุญได้ทุกเวลาถ้ารู้จักจเอาบุญนะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทํา รักษาศีลให้ท า, านเนะี่ยมันก็ยังทำเป็นเวลาเวลาแต่การภาวนาเนี่ยทำได้ตลอดเวลาบุญเนื่ลงงอกตลอดเวลาเกิดมาเป็นคนมันได้มันมีโอกาสตรงนี้คือได้ทำบุญต่อเนื่องเพราะเราเกิดมาก็ได้บุญคือทำบ้างนะบางครั้งที่เกิดมาเป็นคนได้ทำบุญมาบ้าง ก็ยังไม่ครบสมบูรณ์เพราะแต่ละคนเกิดมาแตกต่างกันบางคนเป็นคนร่างของคนรวยคนเป็นคนจนบางคนเป็นค น, น, ค น, น, นฉลาดบางคนเป็นคนโง่เขลาบางคนเป็นคนสุขภาพดีแข็งแรงแต่บางคนมันขี้โรคอ่อนแอนบางคนก็ได้ร่างกายครบสมบูรณ์สามสิบสองบางคนก็เป็นคน พ, คนพิการหูาตาหนวกอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าเราเกิดเป็นคนแล้วก็ใช่ว่า จะได้สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างก็ยากไปอีกดังนั้นถ้าเราบุญกุศลเราไม่พ อ, อจริงๆเาจจะเป็นคนสมบูรณ์พร้อมที่ได้ยากมากนั้นเราก็ถึงไหนเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็แก้ไขไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกเกิดใหม่ได้ในต่อไปที่แล้วมาเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมาภาวนาเนี่ย เราไปแล้วเลือกเกิดได้จะเลือกเกิดเป็นเทวดาก็ได้เลือกเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เลืเกิดพระอินพระพรหมก็ได้เกิดเป็นพระอริยเจาสส้าโสดาสีนคาสีนะคะเลือกเกิดได้นี่ความเป็นมนุษย์มันวิเศษอย่างนี้เกิดมาแล้วก็ยากนะเพราะยากเพราะอะไรเพราะเกิดมาแล้วมันมีทางเลือกเยอะเหมือนเราจะไปซื้อไอ้เครื่องมือเล่นสักอย่างไงสมมติซื่อมือถือนะไอ้มือถือที่มันมี แล้วออปชันหลายอย่างเล่นได้สารพัดอย่างโอ้ราคาแพงนะไม่ใช่จะซื้อได้ไง่ายๆเครื่องสามสี่หมื่นเหมือนกันนะการที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์สามารถมีเหมือนกับสมาร์ทโฟนได้เล่นจะทเกิดเป็นคนเนี่ยจะทำตนเป็นสัตว์ก็ได้เกิดเป็นคนจะทำตนเป็นเทวดาก็ได้เกิดเป็นคนจะทำตนเป็นพระอิทรพคมก็ได้เกิดเป็นยักษ์ก็ได้เป็น อสุีลกายก็ไดเป็นเปรตก็ได้เนี่ยก็คือเป็นคนมันสามารถสแสดงตัวได้หลายอย่างนแต่ถ้ า, กาเกิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันได้อย่างเดียวเห็นไหมนี่การเกิดเป็นมนุษย์มันจึงมีราคามากถ้าไม่มีบุญก็ไม่ได้มาเกิดแต่เสียดายบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังไม่ถือโอกาสทําบุญไม่ถือโอกาสเจริญภาวนาเอาเวลาไปเที่ยวสนุกสนานเล่นพี่พี่เปา่ากินเหล้ากินยาติดการพนันเขาให้โอกาสม า, มาเลือกสิ่งที่ดีแล้ว จะไปเลือกในสิ tail, so thing, so plan, ่งที่ไม่ดีอีกมีใช่ไหมให้โอกาสมันเลือกสิ่งที่ดีไปเลือกกินแล้วเลือกกินยาเลือกข้าวมุเลือกข่าเลือกปนเลือกจีเลือกวิยนเวียนก้นอื่นไปเลือกที่จะเป็นนักโกงพวกลมเลือกที่จะสนอะไรหลายอย่างในที่สุดให้มันเลือกของดีทำไมไม่เลือกเขาก็เอาของไม่ดีให้บางคนกลายเป็นคนเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเป็นพิกลพิการหูหน้าตาหน่ไป บางคนตาดีๆทําให้ตาบอดก็มีเนะี่แข้งขาดีๆทํำให้ขาขาดก็ ม, มีเพราะฉะนั้นอันนี้มันอยู่ที่เราเลือกไม่เป็นนะเพราะให้ใดโดยจึงเลือกไม่เป็นเพราะเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่ได้ภาวนานะท่านบอกว่าให้ทานเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเกิดเป็นคนร่ําคนรวยคนมีกินมีใช้ได้ ทีนี้ถ้าเรารักษาศีลเราสามารถเลือกเกิดเป็นคนสวยคนงามคนหลอ่อเราเอาการเป็นคนมีคนที่มชมชอบได้แต่คนที่เจริญภาวนาเลือกได้ทุกอย่างเลือกทรัพย์สมบัติก็ได้จะเลือกรูปหล่ลอสวยโดยทรัพย์ก็ได้เป็นเลือกเป็นมีอาหารการกินที่ดีมีบ้านมีชอม่องมีได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนฉลาดก็จะเลือกไปภาวนา พราะวามันได้ทุกอย่างเหมือนได้ซื้อโทรศัพท์มีใจได้แต่โทรเข้ากับโทรออกแต่อีกครื่องหน่งมันอนอกจากโทรเข้าโทรออกเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นลนันนงฟังเพลงอยู่ยูทูดูเว็บไซต์ทำได้หมดเลยนี่เห็นหมเหมือนกันนะคนบางคนเกิดมาเป็นคนฉลาดทำเรื่องทำงานได้ทุกอย่างทำหน้าที่ได้เลยบางคนเกิดมาเป็นคนโง่ แค่ตั ว, ต, วตัวเองก็จะเอาไม่รอดอยู่นะเห็นไหมเพราะเราต้องเลือกเอาทําในสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเลือกได้นะเพราะอะไรมันได้หลายอย่างไงถ้าสมมุติว่ามียี่ห้อดีที่สุดกับยี่ห้อโหลที่สุดให้เขาเลือกเอาเครื่องหนึ่งเราจะเลือกเอาเครื่องไหนใช่ไหมไม่มีใครเลือกเอาเครื่องถูกๆแล้วแต่ทําไมในชีวิตขอเรามีค่ากันนี้เราไปเลือกทําในสิ่งที่ถูกๆอ่ะกินเหล้าเนี่ยชีวิราคาถูกมูลค่าเลย ทำลายชีวิตตัวเองกินเหล้าเล่นภัยที่่าดสัตว์รักทรัพย์พืชผิดในการพูดปดสเสียดเพื่อเยอะสิ่งที่ไม่มีราคาเลยสิ่งเหล่าเนี้ยแต่เรากลับไปเลือกทํามันแล้วในที่สุดพอเราได้สิ่งที่ไม่มีราคาชีวิตมีคุณค่าเกิดขึ้นเราไปนท่ษใครล่ะพอเราเลือกไม่ถูกเองเนา ะ, เ, นะเพราะนั้นเวลาหลวงพ่อชนคน ไม่ใชวนคนให้ทานรักษาศีลเล้วนั้นหลวงพ่อชวนคนภาวนาก่อนเพราะอะไรเพราะมันได้มันได้บุญเยอะอ่ามันได้บุญเยอะเราก็ได้ทางเลืกที่ดีอะ่ะ <c oughs> แต่ก็เหมือนเอาความว่าเราเราภาวนาไม่ได้เอามารักษาศีลรักษาศีลก็ยังไม่เป็นเอามาให้ทานต้องทำยังไงอย่างนงีอันนี้ถ้าเกิดมาแล้วให้ทานก็ไม่เป็นรักษาศีลก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นอะเป็นอภัพเกิดไปชาติหน้าเนี่เป็นสัตว์แน่นอนได้ เขาให้มาเลือกทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกทีนี้เขาก็จะเลือกให้เองแหละทีนี่ยมราชหรือยุมพบาลเขาก็จะเลือกให้เองน ะ, ะเลือกให้เองเลือกบางคนเกิดมาหูนาตาโนเขาเลือกให้มาให้สิ่งที่ดีมันไม่เอาเอาของที่ไม่ดีให้มันเส่นเลยคนหงอยเปลี่ยเสียขาเสียเจริญนะเป็นคนพี่คนพิการหูนาตาหนทาบอด เขาเลือกให้แล้วน่ะน่ะเขาเลือกให้เขาเล ians, ain, berg, ือกเอาเรื charge, point, ่องที่ไม่ดีให้แล้วแต่สิ่งที่ดีเขาก็เลือกเอาซะสิ่งที่ไม่ดีให้เราอันนี้เรื่องที่มันเป็นจริงเนะไม่ได้เอามาพูดเป็นเรื่องเลอะเทอะเล่นๆนะเป็นเรื่องเป็นจริงเพราะหลวงพ่อได้เห็นมาแล้วนี่นะดังนั้นก็ขอให้เราเกิดมาแล้วอย่าไปเสียเวลาให้มนของได้ของที่ดีที่สุดอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุด อาสาลิบุถามพระพุท ธ, ธเจ้าว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเจ้าเจ้าข้าอาอันบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์สิ่งที่ดีที่สุดเกิดเป็นมนุษย์พุทธเจ้ากิจโสมนุษย์สัพิโสกิลาโกการเกิดเป็นได้เป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดเอาถ้าเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ๋อการเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือได้ให้ทาน อ๋อถ้าให้ทานเป็นแล้วนะี่ยอะไรจะดีที่สุดกว่าอ๋อได้รักษาศีลอ๋อถ้ารักษาศีลได้แล้วอะไรดีที่สุดกว่าอ๋อได้ปฏิบัติภาวนาเพราะงั้นแล้วถ้าปฏิบัติภาวนาก็ทําได้แลว้วเลือกอะไรดททีที่สุดอ๋อได้ปฏิบัติวิปัสนาภาวนาภาวนานี่อะไรก็ได้นะแต่ถ้าเป็นวิปัสนาเนี่ดีที่สุดอืมเอาวิปัสนาถ้าทําได้แล้วอะไรดีที่สุดอ๋อได้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ทำไมรา่งั้นเอาปฏิบัติธรรมสมควรจะทําทแล้วแล้วทําอะไรดีที่เข้าถึงธรรมอ น, นั้นได้หลุดพ้นจากกิเลสดีที่สุดไมงั้นไปถึงจุดนั้นพระสารีบุตรโยมุสตาถุขพุทธเจ้าได้มาดีที่สุดแล้วเห็นไหมมีทางเลือกที่ดีที่สุดเราจะเอาเลือกแบบไหนอะออะไรที่ยากที่สุดเกิดเป็นมนุษย์อะไรที่ดีกว่านั้นอีกอะไรที่ดีก็ถามไปเรื่อย มีคนฉลาดท่านต้องถามเพื่อเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดนั่ น, หนแหละแต่คนไม่ฉลาดเออดีที่สุดเอาแค่นี้ก็พอเกิดเป็นมนุษย์เชี่ยวปังไม่เอาอะไรเลยทีนี้เพราะอะไรเพราะไม่ไถยไม่ถามว่าอะไรที่ดีกว่านี้นอกจากเกิดเป็นมนุษย์อันดีกว่านี้อีกถ้าเราไม่ทําสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวก็ไปเจอเกิดเป็นมนุษย์อย่างอื่นลนะมนุษย์สนิทรัโยเกิดเป็นมนุษย์นรกเป็นคนใจร้อนใจเร็วอารมณ์เสียง่ายหงุดหงิดโมโห ได้ทันค้อนเอาค้อนทันไม้ทันไม้ ท, ไมทันมือามีอทันปืนเอาปืนเนี่ยเพราะว่ามนุษย์สนนิยอยู่มนุษย์นรกมนุษย์ที่เป็นสันนรกคือจะเลือกเขาเลือกเอาไปแบบนั้นมนุษย์เปรตทำไมควาเป็นคนขีนข้ลักขี้ขมโมยขี้โกงขี้ขอรับชันเกิดมาเป็นมนุษย์แต่อยากจะไปเป็นเปรตมีไหมคุณโคตรคนโกนค น, ค น, ค น, คนลักขมโมยมีไหม เนะี่ยคุณชอบคุณโฉนคุณแอบบเอาของท่านเอาแรดเอาเปลียนคนอื่นมีใช่ไหมนั่นแหละเขาเลือกเองนั่นนะเลือกทจะไปเกิดเป็นเปรตอะ่ะไม่มีให้เขาไม่มีใครเลือกให้เขาหรอกเขาเลือกเองนะมนุษย์บางคนเป็นมนุษย์ซาอาสุ ร, รากายอยู่เป็นมนุษย์อสูรเป็นมนุษย์อสุรากายคือเหมือนผีอะ่ะชอบหลอกชอบต้มชอบตุนคนอื่น แล้วก็ชอบทิ้มบังคับข่าเจ้าเอาของข่มขู่ผู้อื่นเอาทรัพย์สินคน อ, อื่นยิ่งปัจจุบันอะไรยิ่งเห็นง่ายๆเพราะมันมีกล้องว ง, วงจรปิดเยอะใช่ไหมไอ้ไทยทําอะไรนี่เขาเห็นหมดแล้ ว, วแชร์กันทั่วโลกเราเลือกเองเท่านั้นนะมนุษย์บางคนกับมนุษย์เดรัชาโนคือเป็นมนุษย์สัตว์เป็นมนุษย์แต่เป็นสัตว์ชอบอะไรชอบเ ต, เต้นเป็นลิงเป็นค้างได้สินเสียงปีเสียงกรองเสียง คล้องเสียงแตรที่ไหนไม่ได้ไปกินเหล้ากินยาเต้นเป็นลิงเมอเล่าเลยว่าไนะ <c oughs> งยิงมอลล์เขายิงหน้าไม่น่าดูอยิงคนเมอเล่า อ, อยากเขาให้เกิดเป็นคนเขาอยากไปเป็นสัตว์กินเหล้ากินยาสนุกส น, นั hey ่นเฮฮาอไปตามเรื่องตามราวเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่บางคนเลือกเอาทิ้งดีเขาเรียกมนุษย์สปูตโตเล้อกเป็นมนุษย์เป็นคนมีเหตุมีผลมีศีลมีธรรม น่ะมีคนมีความรับผิดชอบดีมนุษสกูโตโบางคนเป็นมนุษย์ยังไม่พอเป็นมนุษสเทโวเป็นมนุษย์เท ว, เนนเวดาโอนอกจากจะเป็นคนมีศีลมีธรรมมีเหตุมีผลดีแล้วยังมีฮิริอุตรปะปาอายชั่วกลัว บ, บาปไม่กล้าทําบาปทั้งที่รับที่แจง้งเนี่ยเป็นมนุษย์สเตโวบางคนเป็นมนุษสเทโวพอเป็นมนุษสพระมโนเป็นมนุษย์พรห ม, มน่ะเป็นคนมีพรหมวิหารศีลมีเมตตากนุณามุทิตาเป็นขาชอบเ อ, อื้อเฟือฟ้อเพือพ่อแผ่ อใจเย็นสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นไม่ดิ่งดูดายเห็นคนคนอื่นเดือดร้อนเมื่อไรเข้าไปช่วยเพื่ออุ่นเื่อเหลือเฟือฟายนี่คือเรลยอมนุษย์สัพรมาโ น, เ ป, น, นเป็นมนุษย์อะเป็นมนุษสอริโยเป็นมนุษย์ที่เป็นอริยะได้ด้วยเช่นไปปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานจนสามารถรูู้ปนามได้เป็นมนุษยสโสดาปโนเป็นมนุษย์ระโสดาบัน รู้รูปนามสามารถเข้าใจรูปนามไม่ไม่กายไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นี่แก้ไขเป็นกายทุกข์ใจทุกข์แก้ไขเป็นนี่เขาเรียกว่ารู้รูรู้รนามคนนี้จะเป็นพระอริยอริยคน ล, ละ่ะเห็นไหมเลือกได้ตั้งแต่โโสุดาสาิกิณาขานะคะประหารเลได้หมดแัะนั่นก็จึงอยากฝากให้พวกเราได้ไปพิจารณาอย่าไปประมาทชีวิตนี่มีค่าเกิดมายากเมื่อเกิดมาแล้วหาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเอง อย่าเอาสิ่งถูกถูกหลัวหลมาใส่ชีวิตของของตัวเองเสดายชาติเสดายชาติของเราเสดายชาติถึงควาเป็นมนุษย์ความจริงมีสัตว์อื่นเขาอยากจะเป็นมนุษย์จะไายนะแต่ไม่ได้เป็นแต่บางคนเนี่ยเป็นมนุษย์อุตส่าห์ทำบุญนะทาบุญแล้วชอบไปกินเหล้าเต้นอ่าไปทำบุญแล้วชอบไม่เขาได้ เอ่ชื่อเสียงเลื่องนามไปทําบุญแล้วชอบไปสนุกสนานในงานบุญอ น, นั้นมีบุญที่ไหนก็ไปกินไปเล่นไปเมาที่นั่นทําบุญก็ทํานะแต ก, กินเล่นเมาไปด้วยพวกนี้เกิดมาเป็นอะไรรู้ไหมเกิดมาแล้วโอ้โหไม่ต้องทํามาหากินเขาให้กินจะอยู่บ้านที่ดีนะบ้านหลังขนาดใหญ่มันอยู่ได้ดีแต่เสดายมันเป็นหมาเศรษฐี ไปเกิดเป็นมาเศรษฐีสบายทุกอย่างค่ารักษาพยาบาลแพงกว่ามนุษย์ในมาเศรษฐีพวกนี้ชอบทําบุญแล้วสนุกสนานทำบุญแต่ได้ต้องได้สนุกสนา น, น, น, านถ้าไม่ได้สนุกสนานาไม่ได้ยินมแล้วไม่ได้ราไม่ได้เล่นไม่ได้ร้องด้ยไม่อยากทําทำเพื่ออะไ่นนี่เขาเรียกเป็นเกิดเป็นสัตว์เพราะมันหลงแต่มันก็ได้บุญตรงที่มันทําบุญด้วยแต่ไปในบุญแบบมามาในบ้านเศรษฐี ซึ่งมันมันทำเราเองทั้งนั้นเราทำเองทั้งนั้นนะนนไม่มีใครทำให้เรานะั้นนั้นก็ลองไปพิจารณา